ลืมไปได้เลยเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วไปรู้เธอไม่ตั้งใจให้มันพลังพลาดไปอย่างวันน้นฉันไม่เคยแค่ และแม้ว่าใครจะคิดอะไรไม่สำคัญก็เพียงเธออย่าไว้วันเรายัางเริ่มการได้มหมสุขตากับฉันเชื่อในฉันเรื่องของวันหวานไม่ต้องมาใส่ใจที่เคยเปียกฝนเดี่ยวก็คงแง่ปา เขามองไม่เห็นค้าอย่าไปสนปล่อยเขาจังเขาไปเสียแล้วก็เสียไปไม่ต้องคิดสิ่งใดให้หนักหนาเพราะเรื่องวันวา จะทำอย่างไรก็ไม่มีทางเรียกคืนมาคิดถึงวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันเวลาที่โลกเป็นของเราสบตา ก, กับฉันเชื่อในฉันเรื่องของวันวานไม่ต้องมาใส่ใจ ที่เคยเปียกฝนเดียวก็คงแงไปแค่กอดฉันไว้วันนี้ฉันรักเธอสกตากับฉันเชื่อในฉันเรื่องของวันวานไม่ต้องมาใส่ใจ เคยเปียกฝนเดียวก็โคงแงงไปแกก็ฉันไว้วันนี้ฉันราย